เด็กๆอยากเรียนเก่งให้เอาอย่างหลวงตาสมัยที่หลวงพ่อเรียนหนังสืออยู่ที่วัดสะประทุมที่กรุงเทพเวลาเข้าห้องเรียนสายตามองจ้องอาจารย์ผู้สอนส่งใจไปรวมไว้ที่ตัวอาจารย์เอาไปเอามามันเกิดมีสมาธิขึ้นมาได้ที่ว่ามีสมาธิก็เพราะว่าในตอนแรกๆสายตาและใจของเราจ้องอยู่ที่ตัวอาจารย์ ภายหลังมันย้อนมาเตรียมพร้อมอยู่ที่ตัวเราเองพอมาตอนเนี้ยอาจารย์อธิบายอะไรให้ฟังพอท่านหยุดหายใจเราสามารถรู้ล่วงหน้าว่าต่อไปอาจารย์จะพูดอะไรเวลาไปสอบอ่านคำถามจบใจมันว่างลงนิดนึงคำตอบก็ผุดขึ้นมาโดยไม่ต้องคิดก่อนหน้าจะไปสอบมันรู้ข้อสอบล่วงหน้าหมดภายหลังมาคิดว่า เอ๊ะมันเป็นไปได้แต่เราคนเดียวเหรอก็พอดีมีหลานสาวคนหนึ่งจะไปเรียนมหาวิทยาลัยแม่เขาพามาก็บอกว่าหลานจะเรียนมหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติสมาธิด้วยเขาก็แย้งว่าตาจะให้ไปเรียนแล้วจะให้ปฏิบัติสมาธิด้วยให้หนูเอาเวลาไหนไปเรียนเอาเวลาเรียนนั่นแหละปฏิบัติสมาธิก็แนะนำให้หมองจ้องอาจารย์ส่งจิตไปรวมไว้ที่ตัวอาจารย์ เขาก็ได้ผลดีเป็นที่พอใจแล้วเด็กคนนี้รู้ข้อสอบล่วงหน้าหมดประดับปริญญาตรีก็ได้เกียรตินิยมปริญญาโทก็เกียรตินิยมเวลานี้ไปทำปริญญาเอกอยู่อเมริกาไปอยู่นอนยังโทรศัพท์ข้ามทวีปมาตาหนูรู้ข้อสอบล่วงหน้าอีกแล้วพวกเพื่อนฝรั่งเขากำลังสนใจสมาธิกันเออเขาสนใจก็สอนให้เขาด้วยนักเรียน เอาการเรียนเป็นอารมณ์จิตในการภาวนานักทำงานเอางานเป็นอารมณ์จิตในการภาวนานักคิดนักวางแผนเอาการคิดการวางแผนเป็นอารมณ์จิตในการภาวนา